สแสวงหาความสุขหรือมุคลได้ในสภาพที่เป็นทุกข์ทุกข์คือส่วนการชดใช้แต่การสแสวงหาใหมน่นี่อันนี้คือสิทธิของเราไม่เป็นไรนะความทุกข์มีบ้างแต่ว่าเป็นยาชูกําลังดนตรีแต่ละวงนี่มันต้องมีอะไรขัดขัดเกิดเกิดใช่ไหมเสียงโมโหรีนะมันต้องมีเสียงกองป๊ะโป๊ะปะปะไม่งั้นมันจะไม่มีความหมายดนตรีมันจะ Dude, dude. ชีวิตก็เหมือนกันมีทุกบ้างก็ดีแต่เราก็ไม่ย่อมยอมจำนวนนะอันนี้ส่วนที่เป็นทุกขส่วนเป็นบุญซึ่งเป็นความสุขเนี่ยเราก็อย่าปลอมมาเราโชคดีแล้วที่ชีวิตเรามีความสุขเป็นสิ่งสุดยอดปรารถนาทั่วเป็นบุญบุญกำลังรักษาเราอยู่แต่ว่าบุญมีโอกาสที่จะหมดไปได้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 มันเป็นแค่อวัตถุ ก, ก้อนนึงแต่ทําไมเราจ้องดูเอาดูอ่ะเพราะฉะนั้นทีวีไม่สําคัญสำคัญที่เรื่องราวในทีวีที่จะสื่อออกมาเพราะฉะนั้นคนพิการสภาวชนิดก็ไม่สําคัญรอหรือไม่รอก็ไม่เป็นไรแต่สิ่งที่พูดออกมาแหละมีสาระใช้ประโยชน์ได้แล้วก็นำเอาไปส่วนที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ไล่สาระอสองค์คืนเจ้าขอ ง, ของมีหลายอย่างเรื่องบุญเนี่ยถ้าพูดแล้วก็เยอะก็ให้พระคุณเจ้าช่วยแนะนำ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 มันไม่ได้บุญนะปากอย่างใจอย่างแสดงความดีด้วยเวลาใครร้องเพลงไพเราะปบมือให้เขาเนี่ยใครตอบคำถามถูกเนี่ยปบมือให้เขาอันนี้ก็ได้บุญแต่อย่างไรก็ตามพูดถึงนรืงบุญแล้วก็มันเป็นเพียงแค่ทำแล้วยังไม่หลุดเป็นกรรม่ิตว่ากรรมขาวยังไม่หลุดยังต้องกลับมาเวียนไหวตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่ เพิ่มเผลอถ้าประมาทนี่อาจจะตกอบายภูมิได้บุญเนี่ยช่วยได้แค่สุขติภูมิยังไม่ถึงที่สุดต้องกลับมาเกิดเบี้ยบ่ายตายเกิดมาเป็นทุกข์บางทีมาเจอคนข้างๆที่น่าเบื่อได้ซ้ําไปมีบุญชนิดหนึ่งที่เหนือบุญยอดบุญเหนือทุกข์เลยคือการภาวนาการภาวนาอันนี้ยอดบุญเหนือทุกข์ ถ้าการปฏิบัติเข้าถึงตัวภาวนาได้แล้วก็ปิดประตูบายปิดประตูบายไม่ต้องกลับมาเวียนไหวตายเกิดในพบน้อยพบใหญ่ตัดเสื้อซึ่งวัตสงสารเขาเรียกว่ากุศลยอดบุญเหนือทุกุศลแปลว่าการตัดตัดเสื้ซึ่งกิเลสเพราะฉะนั้นยอดบุญนี่แหละเราควรจะทําเอาไว้มีญาติธรรมคนไหนที่ทําประกันชีวิตไหมประกันชีวิตเนี่ยดีนะทําให้เรา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 ทำภาวนานั่นถือว่าเป็นส่วนสาคัญมากการให้ทานการรักษาศีลนี่ก็ดีอยู่แต่การทําภาวนาเนี่ยอาจจะเป็นทําสมาธิหรือว่าเจริญสติเจริญวิปัสสนาเป็นส่วนของการทําภาวนาทั้งสมถกรรมฐานวิปัสสกรรมฐานทําำอาเลยแล้วแต่ว่าเราจะชอบใจตรงไหนทําได้เลยภาวนา แปลว่าทำจิตให้เจริญทำให้เจริญนั่นใครชื่อภาวนาดีนะชีวิตมีแต่เจริญจเจริญแต่การปฏิบททัติธรรมเนี่ยเราเน้นที่จิตตภาวนาคือการทำจิตให้เจริญเพราะอะไรจิตที่ไม่เจริญเนี่ยมีคุณค่าเท่ากับสัตว์โลกทั่วไปนะการกินการนอนการเสพกามการกลัวภัย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 ดูแล้วไม่น่าจะเป็นอะไรแต่ว่าถ้าจิตใจเขามีความฟุ้งซ่านมีความเศรหมองเนี่ยเขาจะแสวงหาความสุขได้ไหมไม่มีทางเลยคนในเรียนจำเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาเรียนจำบ่อยนักโทษเรียนจำเนี่ยโอ้โหแต่ละคนเนี่ยล่บึกเลยสักมังกรแปดตัวพันยันบุนเลยแต่จิตใจในี่โหดเที่ยมทารุณแต่ว่าคนที่มีสุขภาพร่างกายสุดโทมอย่างคุณแม่ร่างกาย่อแอ ดูแล้วเหมือนเป็นคนที่มีโรคไปเค่เจ็บไม่แข็งแรงแต่เราสามารถมีความสุขได้ใจในสำคัญกว่าจิตเป็นนายกายเป็นเบาเนี่ยพิการง่างๆอย่าง น, นี้ดูแล้วจะหาความสุขได้ที่ไหนแต่มีสุขเหนือสุขเลย <laughs> เพราะนั้นสำคัญที่จิตใจปัญหาทั้งหลายมาจากจิตใจใช่ไหมมาจากจิตใจการจำการลืม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 ถึงเวลานอนก็ไม่ให้นอนฟุตบอลคู่นี้ก็สนุกนะแม้มันต้องตีหนึ่งเนี่ยแต่ต้องดูสักหน่อยไอ้ตาก็จะหลับแต่ใจก็จะดูเนี่ยโอ้โอรงสารร่างกายเราใช้เขาจนกระทั่งเขาต้องเจ็บป่วยแล้วเวลาเกิดปัญหาร่างกายนี่เราก็ไปเป็นทุกข์เรียกธรรมชาติมันลงโทษอย่างผมเนี่ยถือว่าใช้ร่างกายที่เปลืองขาดสติขาดปัญญาพาไปกระโดด น, าน้าจนทังคอหัก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 ทุกวันเนี่ยเรามีความทุกข์แต่เราสแสวงหาสิ่งอื่นกลบเกลื่อนความทุกข์ในตัวเราไปดูหนังไปฟังเพลงเพื่อคลายเครียดมันยังมีความเครียดอยู่ไปดูหนังไปฟังเพลงเนี่ยมันเอาความสุขสุนารมากลบทุกข์แล้วมันจะสุขไม่เต็มร้อยสุขสุขทุกทุนะแต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมเอาความทุกข์ออกจากใจอ้อยหวดเมื่อไรแล้วก็โอ้โหนุ่สุขเต็มร้อยสุขที่ไม่มีคําพูด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 รวมลงไปหนึ่งเดียวเรียกว่าความรู้ตัวทั่วพร้อมหรือความรู้สึกตัวซึ่งเป็นภาษาไทยเราสามารถทำขึ้นได้เลยเราให้ทานารักษาศีลแล้วต่อไปนี้เราก็จะมาเจริญสติเจริญภาวนาเป็นบุญขั้นสูงสุดไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายแต่เกิดอีกแล้วทาบุญขั้นนี้กลัวไหมกลัวไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายแต่เกิดไหมและยังอาลัยเมืองโ ล, โลกมนุษย์อยู่ าการฝึกสติเนี่ยง่ายๆทุกท่านเนี่ยมีอยู่แล้วสติหนูๆ น, นี่ก็มีอยู่มีอยู่แล้วแต่เป็นสติตามสัญญาณ น, นะเนี่ยเรามาที่เนี่ยใครนำมาสติพามาสติตามสาัญญาณยังไม่พัฒนาแต่เราจะต้องพัฒนาสติที่มีอยู่แล้วเนี่ยให้มันงอกงามยิ่งขึ้นเหมือนเมล็ดพันธุ์โดยการฝึก ให้มีขึ้นอยู่เสมอๆการฝึกสติการเจริติเนี่มีหลายวิธีมีมากมายทุกอย่างเนี่ยล้วนแต่เป็นแนวการฝึกสติท่างกั น, นการหลับตาบริกรรมมพุโทโธก็เป็นการฝึกสติการบริกรรมมายุ่งนอพพองหนอก็เป็นการฝึกสติเป็นเพียงอุบายอย่างหนึ่งแนวลงมาเทียนก็อย่างหนึ่งอย่างเมื่อกี้เนี่ยผมก็ไม่คิดว่าจะมาจะพู้ที่เคยปฏิบัติแนวลวงมาเทียนเหมือนกัน ว่าเวลาไปพูดถึงเรื่องแนหลวงพ่เทียที่ไหนนี่เขาก็จะไม่ค่อยรู้จักอะไรยกมายกมือป้ายไปไป้ายมาไม่สุภาพมันไม่เท่มันนั่งหลับตาเขาก็ปฏิเสธแล้วก็ไม่อยากไปนาเสนอะจะเป็นแนไหนก็ตามเนี่ยถ้าเป็นรว่แจะเป็นการฝึกสติเป็นบุญทั้งนั้นแต่ว่าสำคัญคือการวางจิตวางใจนี่สำคัญมากทำไมต้องบริกรรพุทโธ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 อนนอกไปนอบุนิเวทยังยังไม่ใช่การเจริญสตินะยกมื อ, อแนวหลวงวเถียนยกมือมือก็ยกแต่ใจนี่ไม่อยู่กับมือจใจอยู่โอ้หนี่มันได้เวลาเนะเนี่ยจะจะเที่ยงจะเพนจะต้องกลับบ้านแล้วเรายังไม่รู้น ร, รู้ตัวนะเพราะนั้นวิธีใดก็ตามที่เราสามารถรู้สึกตัวได้เอาตรงกันไว้ก่อนผมเองนี่เคยทำหลายแบบหลายวิธีแต่และ ว, วิธีเนี่ย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 ใคที่หลับตาหายใจเข้าพูดแล้เอาโตทําท่าสนุนไปเลยจะหลับไม่หลับแหละหนูเคยทำไหมทาสมาธิหลับตาเคยไหมของลุงทําแบบนี้นะลุง ก, ก็นอนหลับตาพูดเข้าตัวออ ก, ท, ออกทักพักเดียวหนูเชื่อไหมมันมีเสียงกอบแกบบกรบแกบบอยู่ตรงง่้ข้างถุงบาตรตงโก้เนี่ยโอ้โหไม่กล้าลืมตาเอาแล้วเอาแล้วมันต้องเกิด อ, อะไรขึ้นกับเราสักอย่างหนึ่งเราอาจจะเป็นคนที่มีฤิ์เดชสร้างเสียงขึ้นมาโดยที่ไม่ตั้งใจ ตามีเสียงกรอบแกวก็บไม่กล้าลืมตากลัวเจอผีผลสุดพอเสียงหายไปก็ลองเงี่ยนตาดูสิโอ้ถุกม่านตั้งโกนี้มันเลื่อนมันเลื่อนไปข้างๆหาสักหนึ่งวาได้แล้วก็ไอ้คนที้เคลื่อนไหวตัวเองไม่ได้ต้องคลานไปดึงเข้ามาเอื่อมดึงเข้ามาเอาใหม่อีกทีนึงมันคงจะไม่เกิดขึ้นหรอกคุณแม่คงจะวางไว้ไกลอ่ะคงจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลัตาพุทก็เอาเท้ออก ทำท่าจะหลับไปเหมือนกันนอนทำอะไรหลับทุกทีมันสบายใช่ไหมเวลาเรานั่งทำํำเรายังหลับเลยบางทีเดินหลับก็มีนะมีไหมถ้ามันจะหลับอะ่ะอันนี้ผมนอนดำก็ท ำ, ำท่าเริ่มเอาอีกแล้วโอ้โหเคานี้ดังกว่าเก่าอีกเสียงกรอบแกบกรอบแก บ, กบถุงมันต้งโกมันเลื่อนไปไม่กล้าลืมตา ก, กลัวเจอผีทีนี้พลืมตามาเจอถุงมันต้งโกไปไกลกแล้ว ก็พยายามจะกระเสือกสนดิงก่อนมาเอ๊ะมันก็คิดนะทีนี้พอเริ่มทํำดิมันหายม่วงเลยมันง่วงไม่ได้ดูว่าตัวมันจะเป็นยังไงพี่กลางวันแสบๆอาก็ลองหลับตาดูอีกทีแต่นี้ไม่กล้าหลับละแต่หลับตาแนละ้วไม่กล้านม่วงละสังเกตดูกลับกลัอีกแล้วคราวนี้หละ่ะจะลืมตาดูที่ใจก็ถ้าไปเจอมีเขามีเขี้ยวจะทำยังไงก็ใจลืมตาก็มาโอ้นี่เองหนู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 มันจะอออยืดอัดใหญ่ต้องสายการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่เนี่ยแขนนี่ก็ไม่แข็งแรงอย่างมือนี่นิ้วมือนี่ก็ยกมือไหวไม่ได้ต้องขออาภายัยไม่ใช่หยิง <c oughs> เจอพระกุณเจ้าก็ไม่ได้กราบไม่ได้ไว่ายก็ไหว้โดยใจเคารพโดยใจเนี่ยนิ้วมือก็เหยียดเหยียดไม่ได้งอนี้เนี่ยตลอดชีวิตอยู่อย่างเงี้ยความแข็งแรงในร่างกายเนี่ยไม่มีเลยก็มีส่วนศีรษะที่แกว่งไปเกลี่ยนมาเนี่ยพอได้อยู่ <c oughs> ส่วนล่าง น, นี่ก็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 ลองทิกมือรู้สึกตัวลิกมือควา่าให้รู้สึกง่ายๆนะบางทีนอนยักคิ้วดึกดกรู้สึกรู้สึกคือหาเลือกให้สติอยู่กับตัวเราให้มันโคจรในตัวเราจะออกไปไหนถ้าออกไปในใจก็จะฟุง้งไปย้อนหนึ่งอดีตอนาคตกลับคืนมาถามอยู่นี่นหะง่ายๆข้อดีคือ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 ทุกในปัจจุบันก็เพียงพออยู่แล้วทำไมเอาทุกแอดิตมาร่วมด้วยปัจจุบันทุกไม่พอเลยนั่นแล้วก็ล้ากันไปกรรมเก่าต่างๆนั้นมาจากความคิดแอดิตทั้งนั้นเราเคยทำอะไรไม่ดีไว้ถ้าไปคิดย้อนมาใหม่ก็กรรมเก่าส่งผลทันทีเลยถ้าไม่คิดยอดอ้อนแอดิตอยู่กับปัจจุบันกรรมเก่าส่งผลไม่ได้เห็นไหอันนี้เป็นเคล็ดลับ เพราะความคิดที่ย้อนไปในอดีตทาให้เราคิดว่าเราเราไม่น่าทํางั้นไม่น่าทำอย่างนี้มันซ้ําเติมตัวเองไปกินของเกา่าเพรา ะ, ะนั้นอยู่กับปัจจุบันเนี่ยจะเป็นชวิถีใหม่แล้วก็มีความสุขชีวิตอนาคตเนี่ยัยงไม่มีนะอย่าไปกังวลอนาคตส่วนอนาคตตอนนี้อยู่ปัจจุบันเนี่ยทาปัจจุบันให้ดีให้ถูกต้องแล้วก็ประเดี๋ยวอดีตมันก็ดีเอง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 แมงนี่ใครเข้ามาใกล้คิดผมเจอหน้าทุกวันแต่เขาก็น่ารักสำหรับเราทุกวันเหมือนกันเขาทําให้เราหน้าเบื่อนั่นเพราะเราไปมองเขาแน่ดีแต่ปัจจุบันในเขาไม่น่าเบื่อความสุขชีวิตคือการอยู่กับปัจจุบันด้วยความรู้ในรู้ตัวนี่เป็นคิดลับลองนําไปใช้ดูชีวิตจะใหม่ของใหม่ๆหม่ใคๆก็ชอบเราอยากเปลี่ยนชีวิตใหม่ต้องรอปีใหม่รอสงกรานโอโมทีตายก่อนถึงวันนั้นเปลี่ยนได้ที่นี่แล้วก็เดี๋ยวนี้ โดยการรู้เนื้อรู้ตัวอยู่กับการเคลื่อนไหวของเรากันจะดื่มจะเคี้ยวจะเดินจะนั่งให้รู้เนื้อรู้ตัวเราก็อยู่ในปัจจุบันแล้วแต่มีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เราไม่อยู่กับปัจจุบันตัวนี้สำคัญนะคือความคิดความคิดเนี่ยทำให้เราอยู่กับปัจจุบันไม่ได้ใช่ไหมขณะกนั่งฟังเนี่ยฟังอยู่มองหน้ามองเห็นกันอยู่เนี่ยทุกคนอยู่กับปัจจุบัน เพราะตั้งใจฟังแต่ พ, เพอเผลอปป๊บเน็ตเดียวแล้วโอ้โหเนตบ้านเราจะเป็นยังไงนอะนี่ยกลับไปนี่จะไปทันไหมเนี่ยโอ้เนี่ยเริ่มออกนอกตัวเองออกนอกบุญนิเวศแล้วเดี๋ยวมันจะกัดอานาคว า, อความคิดระไว้ที่ถ้าอยู่กับปัจจุบันเนี่ยความคิดนั้นจะไม่เกิดขึ้นศีลเกิดขึ้นที่ปัจจุบันศีลใครรักษาสติรักษาสมาธิก็อยู่กับปัจจุบัน ถ้าขาดปัจจุบันเราก็เป็นฟุ้งซ่านเป็นนิวรเลยปัญญาต้องเกิดขึ้นกับปัจจุบันเฉพาะหน้าอาการเกิดดับไม่เที่ยงมัรคับบัญชาไม่ได้เป็นตรักษ์ต้องเกิดขึ้นที่ปัจจุบันเฉพาะหน้าเพราะนั้นสิ่งที่ทำให้เราหลงจากปัจจุบันคือความคิดสำคัญนะความคิดทำให้เรานอนไม่หลับความคิดพาเราเข้าออเรือนจาพาเราเข้าออโรงพยาบาล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 ไม่ใช่ว่าห้ามไม่ให้ง่วงใครปฏิบัติธรรมนห้ามความง่วงนี่อันตรายนะทำไม่ง่วงนีืททำยังไงข อ, อยาหมอนะถ้าไม่คิดเลยทำยังไงคนตายนะนั้นทุกอย่างไม่มีการห้ามมีแต่การรู้เท่าทันการรู้กายเคลื่อนไหวเนี่ยในเยวาวต่างๆเนี่ยช่วยเรารู้ทันในความคิดเมื่อรู้จักความคิดแล้วเนี่ยมีหลักอยู่ว่าอยาไปทำตามความคิด อย่าเข้าไปอยู่ในความคิดให้เป็นผู้เห็นความคิดอย่าเข้าไปเป็นผู้คิดแต่ถ้ามันเข้าไปแล้วกลับมาอยู่กับการเคลื่อนไหวยกมือสร้างจังหวะพลิกมือเล่นกลับมาอยู่กับกายกายนี่มันไม่คิดอะไรหรอกปลอดภยัยละอยู่กับกายเคลื่อนไหวแล้วก็เห็นความคิดอย่างนี้มันจะปลอดภยัยการเดินจงกรมก็ช่วยให้จตติมันจเจริญได้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 ปลูกสติได้ทันทีเลยในแต่แตและ ว, วันเนี่ยเรามีการเคลื่อนไหวทั้งนั้นนอกจากเวลาเราหลับกายเนี่ยเคลื่อนไหวทั้งวันอาศัยปลูกสติได้จิตมันก็คิดทั้งวันเหมือนกันเราสามารถรู้ตัวเวลามันคิดได้ใช่ไหมเวลาหลับคิดไหมเอ้าทำไมจะไม่คิดกลางคืนนอนฝันกลางวั น, นนอนคิดไงเผล อ, อกลางวันเนี่ยไม่ค่อยคิดแต่กลางคืนคิดมากเลยซ้ำไปบางคน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 เขาก็คิดโลภตะพืชคิดโกรธอยู่เรื่อยคิดแบบหลงๆคือกิเลสคิดเขาทาใน้ตีของเขาให้สิทธิ์เขาแต่ถ้าสติคิดเนี่ยคนละอย่างนะคิดเกื้อกูลอยากช่วยเหลือคนอื่นคิดในฝ่ายแม่ตาไม่เดียดเียนคนอื่นถ้ามีสติล่ำจะคิดในแนวที่เป็นกุศลทั้งนั้นเลยถ้าขาดสติกิเลสคิดหมาแล้วก็จะคิด็นทางที่เห็นแก่ตัว นำมาซึ่งความทุกข์ดังนั้นถ้าเราฝึกสติอยู่เสมอๆรู้เนื้อรู้ตัวอยู่เนืองเ น, องเนี่ยมันจะคิดแต่ทางที่เป็นกุศลนั้นเมื่อก่อนเนี่ยผมเองเนี่ยไม่ได้ฝึกสติคิดติร้ายก็โอ้โหทําไมต้มองเป็นเราเราไม่น่าเลยเราไม่น่าเป็นอย่างงั้นเราไม่น่าเป็นอย่างงี้เราน่าจะเป็นอย่างงั้นเราน่าจะเป็นอย่างนี้มาคิดแต่ทางนั้นน่ะก็ถูกของเขาถูกของความคิดที่ไม่มีสติควบคุม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 มันขนาดเจนนะเพราะฉะนั้นอย่าประมาทชีวิตของเราเนี่ยสามารถฝึกสติได้ตลอดเวลาเลยทุกคนมีโอกาสที่จะบรรลุธรรมได้เจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีถ้าฝึกสติรู้เนื้อรู้ตัวอย่างต่อนเนื่องถ้าไม่เป็นพระาราหันก็เป็นพระนาคามีในภพชาตินี้ถ้าไม่เป็นอะไรเลยก็เป็นคนดี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 คนที่จเจริญติอยู่เสมอๆอยู่เรื่องเนี่ยถือาเป็นคนที่ปฏิบททัติธรรมชีวิตจะเปลี่ยนใหม่ทันทีเลยจะเปลี่ยนชีวิตใหม่อยู่ในร่างเก่าเปลี่ยนชีวิตใหม่นี้ร่างกายใหม่นะคนอ้วนก็อ้วนเหมือนเดิมคนผอมๆเหมือนเดิมแต่จิตมันเปลี่ยนใหม่มันเปลี่ยนที่จิตใจไม่ได้เปลี่ยนที่ร่างกายเป็นชีวิตใหม่เปลี่ยนที่จิตใจแล้วก็ได้ที่พึ่งเห็นคุณค่าของการมีชีวิต เห็นคุณค่าของการปฏิบัติธรรมโอ้คุณพ่อคุณแม่ที่สร้างเรามาเพื่อให้มาทําอย่างนี้เพื่อมาปฏิบัติธรรมเพื่อให้มาดับทุกข์ไม่มีคุณพ่อคุณแม่ไหนให้เราเกิดมาเพื่อเป็นทุกข์หรอกใช่ไหมให้เราดับทุกข์ให้เรามีความสุขแล้วเราก็ตอบแทนบุญคุณท่านโดยการปฏิบัติธรรมให้มีความสุขก็ท่านเห็นนี่คือการตอบแทนบุญคุณคุณพ่อคุณแม่เห็นเราแล้วมีความทุกข์เนี่ท่านไม่สบายใจแต่ถ้าเรามีความสุขที่ท่านสบายใจ สุขจะเกิดขึ้นได้นั้นไม่ใช่จากการดื่มเหล้าดูหนังฟังเพลงสุขเย็นเย็นให้ท่านเห็นยิ้มยิ้มให้ท่านเห็นเนี่ยถ้าก็มีความสุขแล้วเราเองก็ได้ทีพึงรอการเป็นคนที่มีคุณค่าจะรู้จักคําว่ากําไรชีวิตกําไรชีวิตนี่ไม่ใช่ไปเที่ยวฮ่องกองนะไปจะไเที่ยวเมืองจีนนะบางทีไปเพิ่มกิเลสซ้าไปกําไรชีวิตคือเกิดขึ้นมาแล้วใช้รูปนามขันท่าเนี่ยให้เประโยชน์กับตัวเราแล้วก็บุคคลอื่น นี่คือกำไรชีวิตเกิดมานี่ไม่ใช่หายใจทำให้โลกสกปรกอย่างเดียวสามารถสร้างโรคให้มันสดใสงดงามได้โดยการปฏิบัติทำเป็นกำไรชีวิตเนี่ยแล้วถ้าเราทำในสิ่งที่ยากได้สาเร็จเนี่ยเราจะมีความสุขมากเลยเคยไหมเราทำสิ่งที่มันยากมากแต่ทำจนสาเร็จใจเราจะเป็นยังไงโอ้มีความสุขสบายเหมือนยกทูกเขาแล้วก็ อ, อกออกจากตัว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 เรามีโอกาสที่จะเปลี่ยนชีวิตใหม่ได้มีชีวิตที่มีความสุขได้ด้วยการไม่ต้องลงทุนอะไรเลยปฏิบัติคําเจริตอยู่แต่ละวันหนึ่งเดือนี่แหละอยู่กับปัจจุบันนี่แหละเนี่ยมันเป็นชีวิตที่มีความสุขอยู่แล้วทุกครั้งที่เรามีความรู้นรู้ตัวมีสติเนี่ยศีลก็มีครบสมาธิก็มีปัญญาก็เกิดให้เรารู้ตัวทั่วพร้อมละชั่วทาความดี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 อกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปแต่ละวันเนี่ยละชั่วทําดีตลอดเวลาเลยก็มีคํากลอนที่ในตอนสุดท้ายนี่ก็จะเสนอคํากลอนของพระกุณเจ้าที่อยู่วัดโสมนัสท่านแต่งไว้ไพเราะมากท่านแต่งไว้ว่าความรู้ตัวเป็นธรรมสุดล้าเลิศก่กอให้เกิดกุศลผลสดใสอกุศลทั้งหลายหดหายไป ทำอื่นใดหรือจะสู้ความรู้ตัวเองก็ไม่มีอะไรมาฝากนอกจากธรรมะเล็กๆน้อยๆก็คงจะเป็นประโยชน์สาระบ้างกับท่านผู้ฟังก็สมควรเก็บเวลาก็อยากจะขออวยพรให้กับทุกท่านขอให้ทุกท่านเนี่ยจะมีความเจริญในธรรมมีปัญญาปราศจากความทุกข์แล้วก็มีชีวิตที่ดีมีความสุขทั้งปัจจุบันและในอนาคตด้วยกันทุกท่านทุกคนเถอด